ถือพระพุทธรูปนี้เรื่องเป็นเรื่องใหญ่มากใหญ่ใหญ่จนกระเทือนต่อความรู้สึกในใจของคนที่มีการยึดถือมาเป็นระยะเวลายาวนานเราก็เห็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาธรรมมาอตาตมาก็เห็นมาตั้งไหนแต่ไรแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาทรมาในการยึดถือพระพุทธรูปแล้วก็ยึดจริงจังแล้วก็ยึด อ, อย่างเหนียวแน่นแล้วก็ยึดจริงๆนะอตาตมานิ่เป็นผู้หนึ่งที่เรียกว่า ให้ความเคารพต่อพระพุทธรูปอย่างยิ่งคือเคารพอย่างแรงกล้าว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรค่าแก่การเคารพแล้วก็มีครอบครองรักษาอยู่ด้วยความที่เราก็เติบโตมาในพุทธศาสนาและเรื่องราวของศาสนานี้ไม่ใช่เรื่องราวของแค่การเกิดมาเจอพุทธศาสนาแล้วประกาศการนับถือไป่ใช่นะเรื่องราวของศาสนามันสืบต่อทางสายเลือดกันนูน่น แต่พอแม่ปู่ย่าตายายถ่ายทอดมาทางสายเลือดเลือดของความเป็นพุทธมันถูกถ่ายทอดมาถึงชีวิตของพวกเราแต่แน่นอนว่าเราก็ยึดถือมาด้วยความที่เราไม่ได้รู้เรื่องของศาสนาเลยหมายถึงว่าเราเราเห็นผู้ใหญ่พาทํามาอย่างไงเราก็ทําอย่างนั้นคือเราไม่ได้รู้เรื่องเลยทีเดียวเรียกว่าทําตามๆกันไปอาการที่ทําตามๆกันไปนี่เองจึงเกิดการยึดถือแบบตามๆกันการยึดถือแบบตามๆกัน ด้วยความที่ยึดถือโดยที่ไม่มีความรู้สึกว่ามันถูกหรือผิดอย่างไรการยึดถือนั้นจึงเป็นการยึดถือไว้อย่างเดนียวแน่นเพราะไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันผิดกับรู้สึกว่าดีด้วยซ้ําและหากมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีและหากมีพุทธรูปใดก็ตามที่ที่เราได้ยินว่าคลั่งหรือศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอํานวยประโยชน์กบางสิ่งบางอย่างให้กับชีวิตคนได้แล้วก็ขอให้ได้ยินเข้าหูเถอว่ามันอยู่ที่ไหนเราก็จะไปกราบไปไหว้ไปบูชาไปสักการะที่ ที่พม่า ก, ก็มหาไมมุนีพระมหาไมมุนีนี้โอ้โหคนแห่แหนกันไปเต๊ะรับขั้งแะไเต็มวัดพ้ามหาไมมุนีถามว่ามันคืออะไรถ้าอตาตมาจะพูดเรื่องราวของคาว่าพระพุทธเจ้าอตาตมาจะพูดเป็นสองลักษณะลักษณะแรกคือพุทธะที่เป็นรูปลักษณะที่สองคือพุทธะที่เป็นนามพุทธะที่เป็นรูปก็คือพระพุทธรูปนั่นเอง หรือว่าแม้แต่รูปประกายของพระองค์ในขณะที่พระองค์ยังทรงพชชนอยู่ก็ชื่อว่าพุทธรูปหรือว่ารูปประกายของพุทธองค์นั่นคือพุทธะที่เป็นรูปส่วนพุทธะที่เป็นนามก็คือสภาพอันที่รู้ตื่นเบิกบานคือเรียกว่าสภาวะธรรมสภาวะธรรมอันเป็นที่รู้ตื่นเบิกบานนั่นเองคือพุทธะที่เป็นนามในครั้งพุทธการนั้นพระุทธองค์ทรงตรัสสอนให้พุทธสาวกเข้าถึงพระพุทธ พระพุทธเจ้าโดยความเป็นพธิรูปหรือพุทธะที่เป็นนามพวกเราเคยเข้าใจไหมพุทธเจ้าให้เราเข้าถึงพุทธะโดยความเป็นรูปหรือพุทธะโดยความเป็นนามอันนี้อาตมาขอถามผู้เป็นชาวพุทธใครจะตอบได้ไหมถ้าได้ศึกษากับอาตมาก็จะได้ทราบว่าพุทธเจ้าให้เราเข้าถึงพุทธะโดยความเป็นนามในบทธรรมใดที่โพลทรงตัดสอนให้พวกเราเข้าถึงพุทธะโดยความเป็นนาม ก็มีอยู่คราวครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดกับพระวักการีซึ่งพระวักการีนี้เป็นผู้ยึดถือในรูปปัจจัยของพระองค์ด้วยความเลื่อมใสว่าพระองค์พุทธองค์นี้มีรูปปัจจัยที่งดงามหน้ากาบ่าหวหน้าเลื่อมใสหน้าปื้มปีติยินดีก็ติดตามบวชเพราะเลื่อมใสในรูปปัจยและติดตามพระเจ้าไปในทุกที่กาบ่ายพระพุทธเจ้าด้วยความเลื่อมใสในรูปปัจจัย <halfway> พระองค์ทรงเร็งว่าหากวักการีนี้ยึดถือในรูปปัจจัยของเราเลื่อมใสในรูปปัจจัยของเรา ศรัทธาเฉพาะในรูปประกายของเราแล้วเมื่อวกคคาริละชีวิตไปด้วยความยึดถือสักการะบูชารูปประกายของเราโดยอย่างเดียววกครินั้นจะไปสู่กำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือเป็ดผีปีศาจอย่างใดอย่างหนึ่งประโยชน์อะไรที่วกคริยึดถือในรูปประกายของเราแล้วตถาคตก็เป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะจะปล่อยให้วกครินั้นไปสู่กำเนิดเป็ดผีปีศาจสุรกายอย่างนั้นเล่านี่พระองค์ทรงปริพิตรนะคือ คิดเห็นความเดือดร้อนของบุคคลผู้ยึดถือในรูปปะกายว่าจะไปสู่กมลสัตว์ดิฉันหรือเปรตผีปีศาจอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ปรากฏเรื่องอยู่ในวัคคาิสูตรถ้าไปศึกษาดูจะรู้พระองค์ต้องการที่จะแก้จิตของวัคคาิที่ยึดถือในรูปปะกายของพระองค์พระองค์จึงตัดวัคคาริเข้ามาหาแล้วกล่าวว่าวัคคาิเธอจงมานี่ประโยชน์อะไรกับเธอที่เธอตามกาบไหวยึดถือรูปร่างกายอันเปือยเน่าของตถาคต การที่เธอมายึดถือการไหว้ร่างกายเปือยเน่าทศกัณฐ์นั้นไม่มีประโยชน์ไปเธอจะไปที่ไหนก็ไปอย่ามาตามการไหว้เราอีกพระพุทธเจ้าไล่หนีเลยนะไม่ให้ติดตามการไหว้ในรูปประกายของพระองค์หากพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระองค์ก็ทรงจะพูดอย่างนี้กับพวกเราผู้สร้างรูปประกายของพระองค์ขึ้นมาแน่นอนละอาตมาขอยืนยอมนะพระองค์ต้องพูดอย่างนี้เพราะพระองค์เคยพูดแล้วแม้แต่ตัวของพระองค์เองพระองค์ยังบอกว่าจะมายึดถือรูปร่างกายอันเปลือยเน่านี้ทําไม ประโยชน์อะไรที่เธอจะมายึดถือมันไม่มีประโยชน์นะพูดง่ายๆพระวกาลีเสียใจมากกระเทือนใจมากเพราะยึดมาตลอดเหมือนกับพวกเราทุกวันนี้ที่อาตรมาสอนบอกว่าไม่ควรยึดถือพุทธรูปโดยทางรูปขรรพไม่ควรยึยดถือพระเจ้าทางรูปขรรพกระเทือนใจในความรู้สึกอะไรไม่ให้มีพุทธรูปแล้วเราจะกล่าไวไบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันกับวกรีกระเทือนใจมากจนจะไปฆ่าตัวตายโกรธเครื่องพุทธองค์เลยนะ โอ้โหเราสาติดตามพระองค์มาพราะความรักความไข่ความยินดีในตัวพระองค์พระองค์ยังมาขับไล่เราขนาดนี้ไล่เราหนีแล้วไม่ไม่เห็นใจเราเลยอะไรเนี่ยจะไปกระโดดหน้าผาตายผู้ได้เจ้าก็เลงด้วยโอ้โหถ้าว่าการีไปกระโดดหน้าผาตายเนี่ยไปสู่กำเนดเศรษฐศาสตร์ฉันกับเปรผีปีศาจอย่างใดหนึ่งแน่แน่เลยนันแน่พระองค์โตบอกว่าแน่นอนเลยแน่นอนเลยนะผู้ได้เจ้าเราเป็นสัพพัญญูเราเชื่อไหมว่าผู้ได้เจ้าเป็นสัพพัญญูคือผู้รู้ความจริงหากเราเชื่อพระองค์ศรัทธาพระองค์จริง เราก็ควรที่จะยอมรับในสิ่งที่บงทรงตัดสอนให้มากแล้วก็ใช้เหตุผลให้มากมากกว่าใช้ความเชื่อเพราะเหตุผลคือความจริงความเชื่ออาจจะยังไม่จริงเพราะความเชื่อบางอย่างอาจจะตรงกับความจริงความเชื่อบางอย่างอาจจะไม่ตรงกับความจริงแต่โดยส่วไปสิ่งที่เราตั้งใจเชื่อไว้เพราะเราไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรนั่นเองเราจึงเชื่อแต่บุคคลผู้เข้าถึงความจริงแล้วไม่เชื่ออะไรทั้งสิ้นนั่นคือความจริง เหมือนกับกระโถนตั้งอยู่หน้าอาตมาอาตมาไม่มีความเชื่อหรอกว่ามีกระโถนตั้งอยู่หน้าอาตมาไหมอาตมามีเชื่อเพราะอาตมารู้ตามความเป็นจริงเลยว่ามันมีกระโถนตั้งอยู่นี้ไม่ต้องใช้ความเชื่อแต่พวกเรายังต้องใช้ความเชื่อเช่นผีมีจริงไหมน่าจะมีหรือต้องมีทําไมต้องบอกว่าน่าจะมีหรือเชื่อว่ามีเทวดามีจริงไหมอาจจะมีหรือเชื่อว่ามีนรกมีจริงไหมเชื่อว่ามีเพราะถูกสอนมาอย่างนั้นอันนั้นคือใช้ความเชื่อ แต่ต า, มาไม่ได้เชื่อหรอกว่าเทวรามีนรกมีสวรรค์มีต า, มามไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อก็เห็นมาแล้วคือมันเป็นจริงอย่างนั้นไม่ได้ใช้ความเชื่อเพราะฉะนั้นความเชื่อเอาไว้สําหรับบุคคลที่ยังไม่เห็นความจริงบางอย่างที่เราเชื่ออาจจะตรงบางอย่างที่เราไม่เชื่ออที่เราเชื่ออาจจะไม่ตรงเรามีความเชื่อมั่นมาตลอดว่าพระพุทธรูปคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ไม่ได้บอกว่าให้พระพุทธรูปเป็นตัวแทนพระองค์พระองค์บอกว่า อ น, อนุนพวกเธอบางทีพวกเธออาจจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อตถาคตละชีวิตไปเราจากไม่มีที่พึ่งพาอีกอ น, อนุนเธอจงบอกแกภิกษุทั้งหลายและเหล่าพุทธสาวบกว่าทมก็ดีวินัยก็ดีที่ตถาคตสแสดงและบรรัญญัติไว้แล้วทมและวินัยอันนั้นจกเป็นศาสดาแห่งพวกเธอโดยการล่วงไปแห่งเราในความหมายนี้เท่ากับว่าพระองค์ทรงตัดบอกให ทำและวินัยนั้นเป็นตัวแทนพระองค์หมายถึงว่าเมื่อทำและวินัยยังอยู่แสดงว่าพุทธองค์ยังอยู่นั่นก็คือว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในสถานะของธรรมและวินยัยและธทำและวินัยนั่นเองเป็นภาษาสากลของพวกเราในเวลานี้ไม่ใช่พุทธรูกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรวจดูวาลจิตวักรลีว่าวักรลีจะไปโดดหน้าผาตายแล้วก็ไปยืนอยู่ที่หน้าผาแล้วด้วย ตัดทอทแท้ใจเขาเรียกว่าหักกิจหักใจแล้วว้าวเสียอกเสี ย, ยใจมากจะกระโดดหน้าผาตายนี่แหละคนเรามันหลงอยู่ในอารมณ์ไม่ได้คิดถึงเหตุผลอะไรเลย ใ, ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งคีดไปในน้อยเนื้อต่าใจอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยไม่มีเหตุผลไม่มีสติไม่มีปัญญาทําอะไรก็ขาดสติไปหมดอนะ่ะพระองค์พูดแท้ๆก็ยังไม่เชื่อฟังพระองค์ก็เอ็นดูว่าเมื่อละชีวิตไปแล้วไม่อยากให้ไปสู่ที่ตกต่ำพระองค์จึงไปปรากฏตัวต่อหน้าภรวรกฤห์ ให้บัคกัลลีเห็นแล้วบอกว่าวักคกัลลีเธอจงมานี่วัคกัลลีก็เลยดีใจว่าพุทธองค์มาเงาะ้อดีใจขันกลับไปหาพระองค์แล้วกราบพุทธองค์พระองค์ก็เลยบอกว่าวักัลลีผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจึงชื่อว่าเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมถึงจะเห็นเราก็ชื่อว่าไม่เห็นเธอจงเป็นผู้เห็นธรรมที่ตถาคตทรงสอนเถิดตถาคตอยู่ที่นั่น ในบทธรรมที่บอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานี่คือเป็นบทที่พระองค์ทรงบอกว่าให้ถึงเข้าพุทธให้เข้าถึงพุทธะโดยความเป็นนามนามคือธรรมะสภาวธรรมและสภาวธรรมที่เป็นนามนั่นก็คือหลักคําสอนทั้งหมดในเรื่องของความดีเรื่องศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาถ้าเราเป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาไม่ต้องกลัวหรอกว่าเราจะไม่ได้เขา้ารับบูชาพระพุทธเจ้า บุคคลผู้ใดก็ตามมีศีลมีสมาธิมีปัญญาบุคคลนั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นการสักระเคารพนับถือบูชาพุทธเจ้าแล้วอย่างสูงสุดพรวกว่าสูงสุดแล้วไม่จําเป็นจะต้องมีพุทธรูปแลกกาบไหว้พระองค์แล้วจึงชื่อว่าบูชาแต่การมีพุทธรูปแลกกาบไหว้บูชานั้นพระองค์บอกว่าไม่ใช่การบูชาพระองค์พระองค์บอกไม่ใช่นะนั้นเป็นอามิดอามิดไม่ได้ทาให้าศาสนาสืบต่อเมื่อหลักคําสอนสอนมาอย่างนี้เราพู้เป็นพุทธสาวก ควรจะยึดหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือจะยึดหลักคําสอนที่เขาปลูกฝังให้เรายึดถือพุทธรูปซึ่งเราก็ไม่รู้ว่านั่นเป็นหลักคําสอนของใครไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ก่อตั้งแบบวิธีมาเป็นคนแรกในโลกว่าจะต้องยึดถือพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็ยังหาตัวตนไม่เจอว่าเป็นใครแต่บุคคลที่กล่าวไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราให้เข้าถึงพุท ธ, ธะโดยความเป็นนามมีตัวตนคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้กล่าวสอนเองซึ่งเป็นพระาศาสนาในาศาสนานี้ เมื่อความจริงมันเป็นอย่างนี้เราควรจะทําอย่างไรในฐานะของพวกเราพวกเราพูดนับถือพุทธองค์มีศรัทธาในพุทธองค์เราควรจะทำอย่างไรควรจะทําทตามคําสอนพระองค์หรือว่าเอาทําตามความนิยมประเพณีทางโลกหรือว่าอย่างไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องตัดสินใจเอาเองอาตมาบังคับไม่ได้อาตมาจะเรียกว่าจะบอกให้เอาออกเลยอย่างนี้มันมันก็ผิด เรียกว่าผิดขอบเขตของอาตมาแล้วอาตมาเป็นเพียงแค่ผู้บอกเหมือนกับพระองเองก็ตามพระองค์ก็บอกว่าเป็นเพียงแค่ผู้บอกเพราะว่ากัลิได้ยิน ด, ดังนั้นว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจึงเห็นเห็นพระองค์ผู้ไม่เห็นธรรมถึงจะเห็นพระองค์ก็ชื่อว่าไม่เห็นกัลลิก็เลยตึกนึกตามธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนเมื่อตื่นนึกตามธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนก็เลยเข้าใจในเนื้อหาของธรรมเมื่อเข้าใจในเนื้อหาของธรรมก็เป็นผู้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในพุทธศาสนาเมื่อพระองค์เมื่อภวกเป็นพระอกัลลรูปหนึึ่งข้้นมาแลว พรวักกะลิก็เลยบอกว่าพุทธองค์จะไปไหนก็ไปเถิดพระเจ้าข้าข้าพงค์ไม่ติดตามพระ อ, องค์แล้วเพราะข้าพระ อ, องค์มีพระ อ, องค์อยู่ในพระไทยอยู่ในหัวใจแล้วพุทธเจ้าอยู่ในใจของข้าพระ อ, องค์แล้วหากพวกเราชาวพุทธมีความรู้สึกว่าพุทธเจ้าอยู่ในใจของพวกเราแล้วพวกเราจะไปหาพุท ธ, ธาภายนอกทํำไมนี่คือสิ่งที่ต้องการให้พวกเราขบคิด mm hmm. เมื่อพุทธะอยู่ในใจเราก็ควรจะยึดถือพุทธะในใจเราที่เรารู้และเข้าใจนั้นความเข้าใจนั่นเอง คือสาระสําคัญที่เราจะต้องยึดถือขึ้นมาแล้วเราก็ประพฤติตามทำให้ทานรักษาศีลทําสมาธิภาวนาตามแต่โอกาสที่จะกระทำได้นั่นคือการสักการะ บ, บูชานับถือพระพุทธองค์แล้วนอกเหนือจากนั้นไม่ใช่การบูชาจุดทูบจุดเทียนกราบไหว้มีขันดอกไม้ขัน5ขันอะไรก็ตามไม่ใช่การบูชาพระองค์บอกแล้วไม่ใช่การบูชาเป็นการบูชาที่เราถูกสอนให้ทําตามประเพณีแต่ไม่ใช่การบูชาที่ผู้เล้าต้องการให้เราบูชาอย่างเนี้ย นี่คือเรื่องราวที่อาตมาได้แค่บอกได้แค่บอกให้ฟังพอจะเข้าใจไหมพอาะคุยคุณพ่อคุณแม่เข้าใจนะพอเข้าใจแล้วไม่จำเป็นมากจะเอาออกหรือไม่เอาออก้วไม่จำเป็นอาตมาไม่ได้บอกให้เอาออกหรือไม่เอาออกแต่ความเข้าใจของเราเนี่ยจะทำให้เราได้แยกแยะออกว่าอ๋อพุทธะเป็นรูปไม่ควรยึดถือควรยึดถือพุทธะที่เป็นนามตรงเนี้ย มันความเข้าใจเนี่ยจะทําให้เราแยกแยะออกเขาเรียกว่ามีปัญญาการมีปัญญาอย่างนี้จะทําให้เราไม่ให้เราเกิดการยึดติดและไม่ให้เราเป็นไปเพื่อความงมงายการที่เราไม่ยึดติดและไม่เป็นไปเพื่อความงม ง, งาย น, นั้นคติ2อย่างที่เราจะเป็นไปหลังจากชิลชีวิตไปก็คือกําเนิด ส, สรรรัตว์ในราชาหรือเปรตพีปีศาจก็ถูกปิดหมายถึงว่าเราจะไม่ไปตกสู่อบัยภูมิอย่างนั้นเราก็จะยึดถือในหลักของความรู้ความเข้าใจว่าพุทธะที่เป็นนามคือชื่อของพุทธองค์นั้น พ่อองค์บอกว่าใครระลึกถึงพระองค์ได้อยู่เสมอระลึกถึงชื่อพระองค์เนี่ยแค่ระลึกถึงชื่อนะบุคคลผู้นั้นจะไม่ไปสู่อบายภูมิเลยตลอดแสนกับเนี่ยผูพระองค์ต้องการให้เราเข้าถึงพุทธะที่เป็นนามจึงมีบทธรรมที่ว่าพุทธังสารนังคัตฉามิทำมังสารนังคัตฉามิสังพังสารนังคัตฉามิหมายถึงว่าให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าโดยการระลึกถึงให้เข้าถึงพระธรรมโดยการระลึกถึงให้เข้าถึงพระสงฆ์โดยการระลึกถึงพุทธะ คือภาวะอันธิรู้ตื่นเบิกบานสารณะแปลว่าการระลึกถึงคัจฉามิแปลว่าการเข้าถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนของพวกเราจะเข้าถึงพุทธองค์ต้องเข้าถึงโดยการน้อมจิตระลึกถึงไม่ใช่เข้าถึงโดยการมีลูกเคารพกราบไหว้จึงจะเป็นการเข้าถึงแต่บุคคลใดก็ตามน้อมระลึกถึงพุทธองค์หรือลึกถึงธรรมของพระองค์ระลึกถึงพระสงฆ์ของพระพุทธองค์บุคคลผู้นั้นได้เข้าถือว่าเป็นผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วนี่คือหลักศาสนาที่พวกเราจะต้องรู้และเข้าใจ เราจะบอกว่าเราไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้เพราะเราเป็นผู้ประกาศตนเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาการที่เราบอกว่าเราไม่รู้ไม่เข้าใจไม่อยากจะเข้าใจหลักคาสอนนี้นั่นก็เท่ากับว่าเราได้นับถือในสิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจเลยคือนับถือพระเจ้าแต่เราไม่เคยเข้าใจพระเจ้าไม่เคยรู้เรื่องของพระุทธองค์นับถือพระธรรมแต่เราไม่เคยรู้ธรรมะนับถือพระสงฆ์แต่เราไม่รู้ความเป็นสงฆ์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรที่เราจะต้องยึดพึ่งเนี่ยมันเลยเกิดอะไรขึ้นเกิดภาพ ของความองมงายในการนับถือขึ้นมาแล้วภาพเหล่านี้ก็เต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยลาวพมา่าอินเดียประเทศไหนอีกที่นับถือพุทธศาสนาจีนนับถือไหมบางส่วนไต้หวันศรีลังกา เ, เห็นไหยนับถือพอพุทธเจ้าทางด้านรูปเคลบพทางนั้นอิตาลี มีคําถามที่ถามเข้ามาจากการถ่ายทอดไปในเพจนี้อันนี้มีการถ่ายทอดไปในเพจด้วยที่เราฟังกันในวันนี้ไหนล่ะลาชินริบสัญญาณสะดุดบ่อยมาก <c oughs> พุทธสันดอนคืออะไรครับไม่มีอ่ะพุทธสันดอนถามมาอย่างนี้ <c oughs> พุทธสันดอนไม่มีพุทธันดรนมี หนึ่งพุธทธันดอนหมายถึงว่าหนึ่งพุธทธันดรคือหนึ่งชั่วระยะพระพุทธเจ้าหนึ่งพระ อ, องค์หมายถึงว่าหนึ่งพุธทธันดอนอยังไงอ่ะาศาสนาของพระตองค์สิ้นสุดเมื่อไหร่หมายถึงว่าพุทธศาสนาหมดไปจากโลกช่วงระยะเวลาที่พุทธศาสนาหมดไปจากโลกนั้นนับจากนั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเื่อยๆเรื่อยๆจนแผ่นดินหนาขึ้นมายี่สิบยอด ยอดหนึกกิโลยีร้อยยดเป็นกี่กิโลเกือบสามกว่ากิโแผ่นดินหนาขึ้นมา300รกิโลประมาณนั้นนะสามรกิโลคือระยะเวลาที่แผ่นดินมันหนาขึ้นหนาขึ้นสะสมจนหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นนั่นเรียกว่า1พุทธันดอนัน่นคืออีกแบบหนึ่งนะหพุทธันดอนอีกแบบหนึ่ง แล้วหนึ่งพุทธันดรในแบบหนึ่งหมายถึงว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งระหว่างพระเจ้าแต่ละพระองค์หมายถึงว่าพระเจ้าก่อนหน้าพระพุทธเจ้าของเราพระเจ้าองค์นั้นชื่อว่าอะไรรู้ไหมพระกัสสปะพุทธเจ้าหมายว่ามีพระเจ้าก่อนหน้าพระเจ้าเราองค์หนึ่งนามว่ากัสสปะเมื่อพระเจ้าพนามว่ากัสสปะศาสนาของพระองค์นั้นสิ้นสุดลงคือหมดการนับถือแล้วจนล่วงเลยมาจนถึงพระเจ้าของเราตัสรู้ขึ้นมานั่นคือหนึ่งพุทธันดรระยะเวลาหนึ่งพุทธันดร ช่วงระยะเวลาห่างระหว่างพุทธเจ้าพระ อ, องค์หนึ่งไปหาพระ อ, องค์หนึ่งเรียกว่า1พุทธทานดอนเมื่อศาสนาของพุทธเจ้าเราสมณโคโดมสิ้นสุดลงที่พศ 5,000 นับไปช่วงระยะเวลานั้นแผ่นดินนาขึ้น300กว่ากิโล20่สิบโยตจะเกิดพุทธเจ้าพานามว่าสีอริยะเมตไตรยะขึ้นคือเป็นช่วงระยะ1พุทธทานดอนประมาณนั้นที่ที่ได้ศึกษาเรียนรู้มาเป็นอย่างนั้น จะถูกหรือผิดอย่างไรก็ขออธิบายไปนี้เท่านี้ไปก่อนถ้ามีความรู้ที่เพิ่มเติมไปกว่า น, นี้ก็จะอธิบายเพิ่มขึ้นหมดแล้วนะมีคําถามเดียวนี่มีคําถามอื่นไหม ม, มันมีตัวใ ห, หม่หมครับอนาะไลทไลทใหม่ใช่ไหมอันนี้ของเก่าแล้วนะนี่ไอ้คำว่าเชิเป็นคำถามนะครับเชิงมันคําแยง้งตัวใหนเน <laughs> ปะพัฒสมนชวนาเวท กราบน้ำระส ก, การพระอาจารย์ด้วยความเคารพศรัทธาเจ้าค่ะเป็นบุญที่ได้รับฟังธรรมที่เป็นคุณกับชีวิตจากพระอาจารย์ได้รับความกระจ่างในข้อธรรมกราบเรียนถามพระอาจารย์ถ้ากำลังท่องาธาตุอยู่ยังไม่จบถึงาธาตุน้ําพอจะถึงาธาตุไฟมีคนส่งของมาทำให้ขัดจังหวะในการท่องเพราะต้องต้องพูดจากับคนที่มาส่งของที่มาส่งของที่ส่งของมาสิส่งของเหมือนกับ ไปเสนีนะเสร็จแล้วจะท่องธาตุต่อให้เริ่มใหม่หรือว่าให้ท่องต่อธาตุไฟได้เลยคล่องใจค่ะเพราะเป็นแบบนี้บ่อยให้สามารถท่องต่อไปได้เลยอันนี้สําหรับบุคคลผู้ท่องธาตุกรรมฐาน4ีอยู่ซึ่งธาตุกรรมฐานสี่เป็นบทธรรมที่อาจารมาสอนให้ลูกศิษย์ท่องกันอยู่เป็นประจำในระหว่างที่ท่องอยู่เนี่ยมันจะมีสัญญาณแทรกมาจากสัญญาณเวทบนคาถาไสยศาสตร์อํานาจผีปีศาจบางอย่าง ที่มาจากผีมนผีคาถาพวกนี้มันแทรกเข้ามาในตัวคนนะมันก็เลยสะดุดจากการท่องถามมาสะดุดแล้วทำยังไงท่องต่อไปเลยได้ไหมท่องต่อไปได้หรือจะเริ่มท่องต่อใหม่ก็ได้อยู่ที่อ ะ, อะไรขึ้นอยู่ที่ความความสบายใจของเราที่เราจะทำได้อย่างเงี้ยเคยสอนไปแก้ได้ ทำบ่อยๆทำเป็นประจำทำเจาะตรงไปที่บุคคลเลยได้ยิ่งดีจะเปลี่ยนไปได้แม้จะเปลี่ยนตัวคนไม่ได้แต่จะเปลี่ยนเหตุร้ายกลายเป็นดีได้หรืออาจจะไม่เปลี่ยนเหตุร้ายกลายเป็นดีแต่จะเปลี่ยนเหตุร้ายที่จะร้ายยิ่งขึ้นไปให้สงบลงได้เพราะบางอย่างก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้เสมอไปบางคนชอบสวด บ, บทพระไตรปิฎกไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรพรพิรุณพลราภถามมาพระอาจารย์อธิบายหน่อยบทสวดพระไตรปิฎก มันมีไหมบทสดพระไตรปิฎกยอดอ๋อยอดพกักการไตรปิฎกยอดพกักการไตรปิฎกเป็นบทที่ถูกแต่งขึ้นมาในภายหลังซึ่งการบทชสดบทนั้นน่าจะเป็นความชอบใจเฉพาะตนที่สวดถามว่าเป็นแบบวิธีในทางพระพุทธศาสนาไหมไม่ได้เป็นแบบวิธีที่ถูกต้องเพราะบทยอดพักกพระไตรปิฎกนั้นไม่มีในหลักคําสอนและถามว่าควรสวดไหม ขอตอบตามฐานะของผู้ศึกษาพระธรรมตามคำสอนของพระพเจ้าว่าไม่ควรสวดทำไมถึงไม่ควรสวดเพราะผู้สวดก็ไม่ได้รู้เรื่องในบทที่สวดจึงไม่ควรสวดหากสวดในบทที่เราไม่รู้เรื่องในสิ่งที่เราสวดก็คือการสวดในสิ่งที่เราไม่รู้เรื่องผลก็คือได้รับความไม่รู้เรื่องติดตามมานะเมื่อมีความไม่รู้เรื่องภายในตัวเองมันก็จะงมงายเกิดขึ้นบางคนบอกว่าเขารู้เรื่องเขาสวดเขารู้เรื่องเป็นไปไม่ได้หรอกว่ารู้เรื่อง ถ้ารู้เรื่องจะไม่สวดทําไมเป็นอย่างนั้นก็พัฒน์ใจปีดกมันคืออะไรพัะน์ใจปีดกมีไว้สวดเรื่องมีไว้อ่าน<ม>เอาไว้อ่านเอาไว้ศึกษาไม่ใช่ไม่มีไว้สวดถ้าสวดมันจะเป็นเป็นลักษณะของพรามแล้วอันไหอีกทีเนี่ถามมาสดปัจจุบันครับสดสดปัจจุบันนี่บอกอันนี้ของของกั้งข้างก่อนนะมั้งครับข้างก่อนปัจจุบันคือตอนนี้นะ เอ้าอันนี้กดไปไม่ถูกมันมีแต่กดเล่นนะไม่ถูกคอมเมนต์เปิดดูไม่ได้ต้องเปิดดูเครื่องอื่นกดไครับคเนไหาารไ้ที่ถามมาเหรอติดตามอยู่สัติหีบนะคะอ้อเจริญพรโยมอ่อน ข อ, อนสติหีบชั้นที่สาเหม็นแก้วไม่มีเสียงทำไมของเราไม่มีเสียง <c oughs> นาราชินตินน้อมบูชาธรรมะครับข อ, อนบอกว่าเสียงค่อนข้างขาดหายเอออุ้มอิ่มกราบนมัส ก, การพระคุณจเจ <c oughs> ้าขอเจริญพรคือธรรมะยุคสี่จุดศูนเป็นอย่างนี้แหละลา <c oughs> <c oughs> ไปก่อนก็ได้ พระมหาพิเชษวง์โดนเจิมได้เขียน ข, ข้อข้อข้อคิดข้อเห็นเข้ามาว่าพระพุทธรูปเป็นพระรูปแทนพระพุทธเจ้าเหมือนรูปพ่อแม่เราเอาไว้มีไว้ให้ลําลึกถึงพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณมันต้องเข้าถึงโดยภายนอกก่อนเข้าสู่ภายในเป็นเบื้องต้นคือ คือศีลส่วนพาวักะรินั้นมันดูเพิ่มเติมไม่ได้พวักะริดูเพิ่มเติมไม่ได้อ๋อขอขอพูดถึงคำถามนี้ย้ำอีกครั้งนะต้องเราต้องฟังคำถามให้ดีนะพระมหาพิเชษวงดนเจิมนะได้ได้แสดงความเห็น เข้ามาในเพจที่ดีมากเลยนะเพราะน้อยมากที่จะได้ฟังความเห็นอย่างนี้พระพุทธรูปเป็นพระรูปแทนพระพุทธเจ้าเหมือนรูปพ่อแม่เราเอาไว้มีไว้ให้ลํำลึกถึงพระปัญญาคุณบริสุทธิ์ที่คุณและมหากรุณาที่คุณมันต้องเข้าถึงโดยภายนอกก่อนเข้าสู่ภายในเป็นเบื้องต้นคือศีลส่วนพระวกกินั้นท่านรักพระพุทธเจ้าว่างดงามโดยหลงไหลในพระองค์ ศาสนาวัตถุจึงไม่ใช่แก่นแท้แต่ก็เป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญบุญคือที่ไหลมาของสัพพสิงนี่ยท่านพูดในแง่บุมของคุณค่าในการยึดถือรูปเคารพอยู่ในบุคคลผู้ยึดถือรูปเคารพก็จะมองเห็นคุณค่าทางด้านรูปเคารพที่ยึดถืออยู่แน่นอนว่าถูกต้องอาตามาก็คิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้มาแต่ก่อนไม่ได้เคยมีจิตต่อต้าน และตอนนี้ก็ไม่ได้ต่อต้านแต่ต้องการอธิบายแยกแยะให้ทราบและให้เข้าใจในหมู่ของชาวพุทธเราแยกให้ออกว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรจะยึดถือด้วยความเข้าใจไม่ใช่ยึดถือด้วยความหลงงมงายในการยึดและทุกวันนี้ความเป็นพุทธพาณิชย์มันมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของการยึดรูปเคารพไปแล้วหมายถึงว่า เพราะความมีลูกเคารบและยึดลูกขลบรบจนไปเป็นความงมงายเนี่ยมันนํามาสู่ความเป็นพาณิชย์ในลูกขลบรบแต่งแง่นี้ไม่ได้ใช่จุดประสงค์ของอาตมาคือเป็นแง่ของผู้ที่ทําการพาณิชย์อยู่แล้วนะั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะเป็นอีกเรื่องนึงนะเป็นเรื่องของบุคคลผู้อยู่นอกศาสนาแล้วอันนั้นพ้อมุ่งเอาประโยชน์ในในในเอาประโยชน์จากศาสนาที่เป็นอยู่แต่พระมหาท่านนี้นะท่านพูดในแง่ของการ เห็นคุณค่าทางการยึดถือทางรูปเคารพว่าอย่างน้อยก็เป็นเครื่องลำลึกถึง mm ว่าพอพุทธเหมือนรูปพ่อรูปแม่เราเนี่ถามว่าดีไหมดีในส่วนของเบื้องต้นคือดีในส่วนของเบื้องต้นแต่ในส่วนของการปฏิบัติแล้วไม่ดีอาตมายอมรับว่ามันดีในส่วนของเบื้องต้นเพราะอาตมาก็เริ่มจากเบื้องต้นอย่างนั้นคือผูกใจของเราไว้กับศาสนาได้ แต่ถามว่าผูกใจไว้กับศาสนาได้เนี่ยผูกใจด้วยความที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจหมายว่าทําให้เรายึดศาสนาด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจขอพูดตามที่เป็นเหตุให้ตามาได้มาสอนหลักการอย่างเงี้ยขอพูดต่อยาตโยมทั้งหลายให้ทราบว่าอะไรคือเหตุผลที่ทําให้ตามาได้มาสอนเรื่องราวเหล่านี้นะในพรรษาที่สองที่อตาตมาเจอปัญหาทางด้านจิตใจ ที่จิตใจปั่นป่วนวุ่นวายหาความสงบสุขไม่ไดทท้ทั้งที่้ตัวเราเองนี่ก็เป็นผู้อยู่ในศีลเจริญสมาธิและบําเพ็ญกรรมฐานภายในตนเองแต่มันมีเรื่องกระทบจิตใจจนไม่สามารถที่จะทําให้จิตใจของตัวเองเข้าถึงความเป็นสมาธิและไม่สามารถตั้งอยู่ในกรรมฐานได้ปั่นป่วนวุ่นวายจนถึงกับจราศิกขาที่เคยทําได้กรรมฐานที่เคยบําเพ็ญตั้งขึ้นไม่รู้มันหายไปไหนทีนี้ก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาว่า อะไรจะสามารถเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ตอนนั้นเราก็เข้าใจว่าลูกเขารบเท่านั้นคือพทธเจ้าเท่านั้นได้ได้ได้มองเห็นพรธเจ้าได้ตั้งจิตลำลึกถึงพระทโธองแต่ก็ไม่ได้ทําให้จิตใจของเราสงบได้เลยก็เลยมองหาว่าแล้วที่พึ่งที่แท้จริงมันอยู่ที่ไหนที่พึ่งนั้นมันคืออะไรพยายามหาอย่างนี้ตั้งคําถามถามเข้าไปในใจของตัวเองว่าอะไรจะสามารถเป็นที่พึ่งให้กับเราได้อะไรสามารถเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ ก็ไม่มีคําตอบใดๆเกิดขึ้นภายในจิตใจแต่ก็ยังตั้งคําถามอย่างนั้นย้ํำๆอยู่ในใจตัวเองอยู่เสมอจนหาอะไรไม่มาเป็นเครื่องรองรับและทําความสงบใจภายในตนเองก็ไม่ได้ศีลที่รักษาก็ทําให้ตัวเองจิตสงบไม่ได้สมาธิที่เคยทําจนไปนเคยเป็นความสงบก็ไม่เคยลงสู่ความสงบกรมมาขานที่เคยฝึกฝนตั้งมั่นพิจารณาร่างกายเป็นท่าสีรดินน้ำไฟลมก็ไม่สามารถพิจารณาให้ติดต่อเนื่องเป็นฐานลองรับภายในใจได้ จึงเกิดความท้อแท้อ่อนแอจนอยากจะลาสิกขาไม่อยากจะอยู่ในศาสนานี้ไม่อยากจะอยู่แลยนะพูดง่ายๆเจอความพุกมากๆเลยที่มันบีบคั้นอยู่ภายในไม่อยากจะบวชตอนนะพูดง่ายๆหรือไม่พอใจเลยในในความเป็นเพศของพระพิสูจนซื้อออกไปแล้วจะได้สบายใครว่าบวชมาแล้วสมรสบายอย่างเงี้ยด้วยความรู้สึกอย่างนี้เองจึงอยากจะหาที่พึ่งในภายในที่แท้จริง ในขณะที่บอกตนเองย้ำๆซ้ำๆอยู่อย่างนั้นว่าอะไรเป็นที่พึ่งให้กับเราอะไรเป็นที่พึ่งให้กับเราจนไม่สามารถหาคําตอบได้ก็เลยวางใจแล้วยังไงเราก็ต้องลาศิกขาเพราะไม่สามารถจะอยู่ในเพศของสมณะได้เพราะจิตใจของเราไม่สงบอย่างเนี้ยเราจะเป็นที่ตั้งแห่งการทําบุญให้ฐานของชาวบ้านก็ไม่เหมาะไม่ควรเราจะเป็นที่ตั้งแห่งการกราบไหว้ของชาวบ้านก็ไม่เหมาะไม่ควรไม่ควรที่ญาติโยมที่จะมาทําบุญกับเราผู้มีจิตที่วุ่นวายหาความสงบภายในใจตัวเองไม่ได้ มันไม่เหมาะไม่ควรเลยจิตใจเรามันเนกาะกลุมไปด้วยอำนาจของกิเลสที่ครอบงําใจเราอยู่อย่างนี้ไปเป็นชาวบ้านนั่นแหละไปเป็นโยมนั่นแหละดีที่สุดจะได้มันเป็นเป็ น, ปนผู้หนักศาสนาเขาอย่างเงี้ยคิดในใจปรากฏบ้านในที่ในขณะที่จิตคิดตกโปรงปรงใจที่จะลาสีขานั้นมีเสียงผุดขึ้นภายในใจว่าก็พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมาแต่ไหนแต่ไรแล้วทําไมไม่พึ่งเนี้ยคำคำเนี้ยผุดเกิดขึ้น เป็นเสียงคําที่เสียงดังกังวานมากไม่ใช่เสียงแบบมนุษย์จะเป็นเสียงเทียบแบบเสียงพรมก็ว่าได้เพราะได้ศึกษามาตามตำรับตำราว่าเสียงพรมนั้นจะมีเสียงกังวานเป็นเสียงที่แปกแตกต่างจากเสียงอื่นไม่ถ้าไม่ใช่เสียงพรมก็เสียงเทพราผู้มีศักดิ์ใหญ่เสียงดังกังวานมากเขาบอกว่าก็พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมาแต่ไหนแต่ไรแล้วทําไมไม่พึ่งมันไปสะดุดตรงที่คําว่า ทำไมเราไม่พึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ซึ่งเป็นที่พึ่งมาแต่ไหนแต่ไรแล้ ว, ล ว, ลวมันทำไมไม่พึ่งไปสรุดคํำนี้ทําไมไม่พึ่งทีนี้เราก็มีความรู้สึกแย้งขึ้นมาว่าทําไมเราจะไม่พึ่งเรายึดถือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ด้วยใจมาตลอดคืนยึดถือได้ทางรูปเคารพเนี่ยทางรูปเคารพพระพุทธรูปที่อยู่ที่วัดเนี่ยอัตมาขัดเนี่ยใสยงดงามมากน้ำองใสมากน้ํายาขัดบัดโซเนี่ยขัดจนจมูกอัตมาแสบทางเดินหายใจอัตมาจนเป็นโรคหลอดลมอักเสบ เพราะกลิ่นของมันฉุนและแรงมากมันกัดเข้าไปในภายในจนทําให้ปอดของอาตม า, านเนี่ยมีปัญหาเนื้อเยื่อในปอดมีปัญหาไปตรวจแล้วก็ถุงลมเนี่ยหลอดลมอักเสบพ อ, อน้ายา น, นี้มันแรงมากขัดนี่จนเลี่ยมจนใสเพราะเราศรัทธาเรายึดถือมายาวนานแต่ในเสียงนั้นบอกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมาแต่ไหนแต่ไรแล้วทำไมไมีพึ่งก็ทําไมเราจะมีพึ่งเราพึ่งมาโดยตลอดทําไมเราจะไม่พึ่งมันจึงเกิดคําถามขึ้นมาว่า ก็ในเมื่อเราพึ่งแล้วแต่สิ่งเหล่านั้นยังไม่เป็นใช่เครื่องที่รองรับที่แท้จริงในใจของเราจริงๆนะมันพึ่งได้อยู่แต่มันยังเป็นที่พึ่งภายนอกอราพูดง่ายๆแต่ความเป็นที่พึ่งภายในมันยังไม่เกิดคือความการลองรับในภายในมันยังไม่มีก็เลยตั้งใจใหม่ว่าเอาในเมื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นพึ่งได้จริง ประกาศขึ้นมาแบบตะโกนออกมาภายในใจว่าข้าพระเจ้าคือตะโกนหานะตะโกนหาที่พึ่งนะว่าข้าพระเจ้าขอพึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คือพนมมือด้วยตอนนั้นพนมมือระลึกถึงหาเลยและไม่ได้อยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปไม่ได้อยู่ต่อหน้ารูปเคารพไม่มีรูปเคารพตอนนั้นอยู่ในอยู่ในห้องอยู่ในกุฏิไม่มีรูปเคารพไม่มีพระพุทธรูปรแต่ตั้งจิตพนมมือระลึกถึงหาพุกเขาโน้มหาเลยว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่สามารถเป็นที่พึ่งที่ที่พึ่งได้จริงๆอยู่ที่ไหน ข้าพเจ้าขอโน้มกิดโน้มใจเข้าพึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพรสงฆ์ที่พึ่งเป็นที่พึงได้อันนั้นอันที่พึ่งไม่ได้จะไม่พึ่งขอพึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพรสงฆ์ที่พึงได้เท่านั้นตะโกนร้องออกไปอย่างนี้แล้วประกาศขึ้นมาภายในว่าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงอัประสริฐของข้าพเจ้ากราบลงที่เนี่ยกราบลงด้วยการโน้มระลึกด้วยพลังใจที่ยิ่งใหญ่พึ้นโน้มลึกหาปักกิดปักใจหาในขณะที่กราบลงนั้นเกิดมีลูกแก้วขึ้นมา ใส่วาบจ้าขึ้นมาเลยนะเหมือนกับเราเอาหลอดหลอดหลอดดูดเนี่ยไปจุ่มน้ําฟองสบู่แล้วเป่าออกมาเป็นก้อนใสใสใสกลมดิ่งอย่างนั้นเลยครอบร่างอาตมาไว้ใสเจ้าออกมาแล้วครอบร่างไว้แล้วก็อยู่อย่างนั้นเพียงแค่อาตมากอบกาบน้อมรับลึกถึงด้วยพลังใจอย่างแรงกล้านั้นนะ่ะเกิดมีอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าเข้ามารองรับใจ ใจที่เคยปั่นป่วนวุ่นวายไม่สงบอยู่ในเวลานั้นเหมือนกับมันล่องลอยอยู่หาที่พึ่งที่ยึดไม่ได้เหมือนกับมันกิ้งไปกิ้งมาเหมือนกับอะไรดึงไปก็ไปตามมันนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีหลักยึดน่ะปรากฏว่าเป็นมีเครื่องรองรับขึ้นภ า, าในวาบเลยนะจิตเรานิ่งเลยที่นี่ความวุ่นวายความปั่นป่วนภายในจิตใจหายไปหมดเลยอันตรธานหายไปในขณะนั้นเวลานั้นแล้วก็เห็นลูกแก้วใสจ้าออกมาด้วยตาเปล่าเม่ได้นั่งสมาธิ ปรากฏว่าจิตมันเกิดการอัศจรรย์ในการเข้าถึงพุท ธ, ธะในลักษณะนี้แต่ก่อนเราเคยเข้าถึงพุท ธ, ธะโดยการยึดรูปเคอลบมันไม่เคยเป็นไม่เคยมีเครื่องรองรับภายในอย่างนี้แต่พอปั ก, กิจปักใจหาโน้มจิตน้มใจหาด้วยพลังใจที่รอที่ฐานอยากพึ่งพุท ธ, ธะที่เป็นที่พึ่งได้จริงๆขอพึ่งอันนั้นปรากฏรองรับขึ้นมาแล้วประกาศขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่2ว่าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งของพระเสด็จของข้าพเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอพูดรายละเอียดอีกนิดนึง ในจังหวะที่เกิดอนุภาพการลองรับขึ้นมาภายในจิตของอาตมานั้นความรู้สึกในการยึดพึ่งที่เป็นกระแสใจที่เกาะยึดในรูปขรรคที่เคยมีมาแต่ก่อนๆเนี่ยมันขาดสะบั้นออกจากจิตเลยนะมันขาดออกจากใจในเวลานั้นเลยไม่มีเลยกระแสของใจคือมันเห็นกระแสใจของเราเนี่ยเป็นกระแสแห่งการยึดถือในรูปขรรค์มันมีอยู่่มันมองเห็นด้วยตาเปล่านี่แหละว่าใจเรามันมีกระแสของการยึดอยู่กับรูปขรรค์อยู่กระแสตัวนั้นขาดสะบั้นออกจากใจเลยพอมันขาดสะบั้นออกจากใจปั๊บ แล้วลูกแก้วใสๆมันจ้าปรากฏให้เห็นอยู่ในใ น, ในตาเปล่ากับเราในเวลานั้นมันจึงประจักษ์ชัดกับจิตกับใจพตตัตนาใจจึงเป็นสิ่งที่ต้องประจักษ์ชัดที่เราต้องเข้าถึงได้ด้วยตัวเราเองโดยทางใจที่เป็นพุธทธะที่เป็นอามประกาศครั้งที่สองว่าที่ผู้ อ, อื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งเอร์เสริมของข้าพเจ้ากาบลงเกิดเป็นลูกแก้วใสจ้าขึ้นมาอีกเป็นอันที่สองลูกที่2เหมือนกันกับลูกแรกใสามากใสปิ้งเลยนะ แล้วก็ปราะกฏาขึ้นมาอีกครั้งที่สามว่าที่พึ่งอื่นของข้าพาเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริจของข้าพาเจ้าขออนุภาพแห่งพระสงฆ์จงเกิดขึ้นมารองรับจิตใจของขาพระเจ้าด้วยกราบลงไปเกิดเป็นลูกแก้วที่3ขึ้นมาอีกใสปิ้งเลยนะลูกแก้ว3ามลูกรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นลูกแก้วดวงเดียวเรียกว่ารัตนไตรรัตนะแปลว่าแก้วอันประเสริฐแก้วอันปรืร่องิฐ3ประการคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วตมาจะเห็นลูกแก้วนี้รอบอตมาอยู่ตลอด24ชั่วโมง ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่เคยขาดหายเลยเห็นตลอดยีบีชบั่วโมงมีความอุ่นใจเบาใจสบายใจไปที่ไหนก็สบายแล้วความรู้สึกในการยึดถือรูปข้ารลดขาดสะบั้นออกจากดวงจิตรู้ทันทีเลยว่าลูขารลไม่ใช่ที่พึ่งอันแท้จริงในพุทธศาสนาทันทีในเวลานั้นรู้ชัดเจนรู้ประจักษ์ชัดเราชาวพุทธควรจะเข้าถึงรัตตนาไตาทางด้านจิตใจ คือโอนจิตโอนใจน้มจิตน้มใจเข้าถึงธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะอาตมาจึงทราบว่าพลังแห่งพุทธะที่มีอยู่แล้วทางธรรมชาติพลังแห่งธรรมะที่มีอยู่แล้วทางธรรมชาติพลังแห่งสังฆะที่มีอยู่แล้วทางธรรมชาตินั่นคือพลังทางธรรมชาติอันบริสุทธิ์เป็นพลังธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่มีอยู่แล้วพร้อมจะเข้ามารองรับจิตใจของเราได้เสมอหากเราโน้มจิตน้มใจเข้าถึงเมื่อมันเห็นชัดเจนต่อจิตต่อใจตนเองอย่างนี้ประจักษ์ชัดอย่างนี้ ไม่เชื่อใครและไม่เคยฟังได้ยินได้ฟังจากใครจากที่ไหนมามันรู้ชัดภายในนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มีคนแม่แนะนําให้ทําแต่มันรู้เองมันเห็นเองมันเข้าถึงเองด้วยตัวเองมันเป็นความจริงไม่ได้อยู่ในความเชื่อแล้วอํานาจพระทัยก็อยู่ในใจตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงแม้แต่กระทั่งเข้าห้องน้ําเวลานอนเวลาหลับเวลาทําอะไรอยู่ก็ตามเห็นกันอยู่ตลอดเวลาอุ่นใจเบาใจไม่มีความวุ่นวายในใจเลยตั้งแต่นั้นมา รู้สึกคิดไต่ตองในทางธรรมก็คิดได้ง่ายคิดต่อในหลักธรรมก็คิดได้ง่ายเจริญกรรมฐานขึ้นก็คิดได้ง่ายจนทําให้ตาบาได้บวชจนถึงมาทุกวันเนี่ยจับหลักธรรมมาปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องยังมักอริมัคให้เจริญขึ้นก็สามารถจับดูขันห้าเกิดดับได้ง่ายประคองจิตประคองใจในหลักอริยมรักได้ง่ายสามารถทําลายสักายทธิธิฏฐิวิจิติจฉาสิรพัตตปรามาตได้เพราะมันเริ่มต้นมาจากรัตนนตัยที่ดีที่ถูกต้องมาตั้งแต่ตอนนั้น หากอาตมาไม่พบความเป็นรันาตนตัยโดยความเป็นพระรันาตนตัยในวันนั้นอาตมาคงจะไม่ได้มานั่งพูดและอธิบายเรื่องราวของพระรัตนาตาลัยพวกเราได้ทราบในเวลานี้แต่ตอนนั้นอาตมาไม่กล้าที่จะบอกและสอนใครเพราะความรู้การเห็นในเวลานั้นมันสวนกับการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ชาวพุทธทั้งหลายที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือญาติโยมหรือกระแสทางสังคมที่เข้าประพฤติกันอยู่ในเวลานั้นมันยึดกันแบบเหนียวแน่นมากจึงไม่กล้าพูดกับใครจึงเป็นปัจจิตตังภายในเฉพาะตน ก็คิดอยู่ว่าหากวันใดวันหนึ่งเรามีโอกาสที่จะสอนคนได้เราจะบอกเรื่องราวเหล่านี้ต่อคนทั้งหลายแล้วอาตมานนําธรรมชาติภายในแห่งใจนี้เทียบเคียงกับคําสอนของพระเจ้าเมื่อเทียบแล้วเข้ากับคําสอนของพระเจ้าได้อย่างสนิทแต่การที่จะเอาพระพุทธรูปมาอธิบายเทียบกับหลักคําสอนพระเจ้ามันเข้ากันไม่ได้สนิทเมื่อเข้ากันไม่ได้สนิทจะให้ตมาสอนในสิ่งที่ไม่ใช่หลักคาสอนโดยไปแบบข้างๆครูๆไปแบบถูๆไทยๆกันไปดําน้ํากันไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้ถามว่า เรามีพุทธรูปไว้เพื่อเป็นเครื่องรำลึกถึงเนี่ยเป็นความดีไหมเป็นความดีชั้นหยากเลือเป็นความดีชั้นเลวเลวแต่ก็ดีเข้าใจไหมดีอยู่ที่ทําให้ผูกใจเราไว้กับศาสนาแต่ถ้าจะให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปควรจะโน้มกิดโน้มใจเข้าถึงพระรัตนาตัยนั้นโดยใจของเราเองไม่ใช่ยึดถือรูปเคาลบนี่คือความหมายที่อตาตมาต้องการจะบอกแต่ไม่ให้ไปปฏิเสธในรูปเคะลพ คือมันมีอยู่ก็ให้มีอยู่ไปไม่ได้ว่าอะไรเพราะมันยังเป็นเครื่องผูกใจของบางคนที่ยังไม่สามารถพัฒนาสติปัญญาไปได้แต่แต่มาจะพูดถึงในชั้นของผู้ที่สามารถพัฒนาสติปัญญาไปได้พุ่งมุ่งหวังที่จะก้าวเข้าไปสู่คุณงามความดีในศาสนานี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปคําว่าก้าวเข้าไปสู่ศาสนาในยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงการก้าวออกจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งหากเรายังยึดอีกสิ่งหนึ่งแล้วจะก้าวไปสู่อีกสิ่งหนึ่งโดยยึดถือนั้นไหมมันก้าวไไไปม่ด้ อย่าลืมว่าพุทธศาสนาเรามันหยุดอยู่กับการเคารพสักการะนับถือบูช า, าลูกเคารพนี้เป็นระยะเวลาเป็นพันปีแล้วเมื่อเราหยุดอยู่กับการเคารพนับถือสักการะราลูกเคารพมาเป็นพันปีแล้วล่ะอะไรก็ตามที่หยุดนิ่งมันบ่งบอกถึงความเสื่อมเราไม่ได้พัฒนาศาสนาของเราให้จเจริญไปกว่าเดิมเลยเรายังทําพิธีเดิมๆ เ, เป็นพันปีแต่ย้อนกลับไปเมื่อ2องพกว่าปีพระพุทธเจ้าพัฒนาจิตใจของพวกเราให้ก้าวเข้าไปสู่ในหลักธรรมพัฒนาศาสนาโดยการพัฒนาจิตวิ ญ, ญญาณของเรา ให้ก้าวพ้นไปจากวัตถุทั้งปวงแม้แต่ตัวรูปของพระองค์เองพวกก็บอกว่าอย่ามายึดถือนี่คือความหมายที่ต้องการอธิบายให้ฟังเพราะฉะนั้นเราจะต้องแยกแยะให้ออกแม้จะทําตามไม่ได้แต่ก็ต้องแยกแยะให้ออกและเข้าใจในหลักปฏิบัตินี้ให้ถูกต้องว่านี่คือส่วนหลักคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและบอกไว้ส่วนในการยึดถือทางด้านรูปขารพซึ่งมีมาในภายหลังจากหลักคําสอนนั้น <ๆ S 2> ก็ให้เข้าใจว่านั่นคือรูปแบบของประเพณีธรรมเนียมนิยม ให้เข้าใจอย่างนั้นนะเข้าใจนะอ่าเข้าใจไว้จับพมา่าคนไทยนี้เข้าใจยากจังมีถามต่ออีกไหมเนี่ยมีเยอะฮะมีเยอะรยาวเลยอยาวเเอาถามมาสิเอ๊ะจะตอบกันหมดหรือเปล่าในวันนี้วันนี้หรือจะเอาไว้วันหลังเอาอย่างนี้นะคําถามที่ถามมาในวันนี้ในเพจขออนุญาตตอบในวันถัดไป ว, วันนี้มันมีโอกาสเวลาแต่ทัดเพียงเท่านี้ แล้วก็ขอใช้โอกาสเวลาเพยียงเท่านี้ในวันนี้ขอให้ญาติโยมทุกท่านมีความสุขความเจริญกันทุกคนขอยุติการอธิบายธรรมะในวันนี้เท่านี้ครับนะ<า>